เดือนที่สองวันที่สองทุกอันใหญ่หลวงของสิ่งมีชีวิตวันนี้เป็นวันเสาร์ออกจากที่ทำงานตั้งแต่ก่อนเที่ยงฉันนึกอย่างไรไม่ทราบอยากขับรถไปตามวัดจังหวัดไกลๆบ้างนานๆทีฉันมัก น, นึกอยากเที่ยวแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ชาติก่อนฉันอาจเคยทุ ด, ดงแล้วยังมีนิสัยชอบใจ ฝังติดมาถึงชีวิตนี้กระมังนานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้ออกต่างจังหวัดยิ่งห่างจากกรุงเทพมาฉันก็ยิ่งปลอดปโปรง่งจิตใจสงัดเงียบราวกับคนกำลังรอนแรมในป่าลึกเข้ามาเรื่อยๆอาจเป็นเพราะสองข้างทางคือทิวทัศน์กว้างไกลไม่แออัดยัดเยียดด้วยตึกสูงเหมือนอย่างในเมืองหลวง ไม่มีสิ่งรกตาบทบังทัศนวิสัยเผยให้เห็นฟ้ากว้างอยู่เกือบตลอดเวลาฉันมีสมาธิกับการขับรถจนเวลาผ่านไปพักใหญ่บนเส้นทางตรงเหยียดยาวที่ไม่ต้องระมัดระวังมากนักรู้สึกถึงสองแขนที่ปล่อยสบายไม่ไหวติงกายอันสงบระงับเป็นเช่นนี้เอง แม้ทำหน้าที่ถือพวงมาลัยอยู่ก็เหมือนพักนิ่งเฉยสบายจากไหลไปถึงมือตรวจจิตตนเองก็เห็นความติดใจในอาการสุขแช่นิ่งนั้นจึงเริ่มพิจารณาลมหายใจเข้าโดยความเป็นพานะนำความสดชื่นเข้าสู่ร่างกายเห็นสุขเวทนาอันเนื่องด้วยกายตามจริงว่ามีระดับไม่คงที่ ถึงยอดสุดแห่งความสดชื่นในหัวอกแล้วต้องสลายตัวระบายออกมาสู่อากาศว่างภายนอกกระทั่งจิตสลัดคืนความยึดติดในสุขอันเกิดจากความแช่นิ่งฉันสังเกตเข้าไปในรายละเอียดความแตกต่างระหว่างสุขแบบแช่กับสุขที่กำลังเกิดขึ้นฉันยังเป็นสุขเหมือนเดิม ทว่าความแตกต่างที่สำคัญคือมีสติผุดรู้ขึ้นมาว่าสุ ข, ขเวทนาอันเกิดจากอิริยาบถนั่งสงบเป็นแค่สภาวะหนึ่งไม่มีความลงยึดติดแบบแช่เพราะความเคยชินตรงนี้ฉันเคยได้ยินมานานเช่นพระป่าบางรูปเคยพยายามอธิบายความแตกต่างของการเสพสุขในสมาธิระหว่างมีรู้ กับไม่มีรู้ประกอบอยู่ด้วยแต่ก่อนอ่านหรือฟังแล้วงงบัดเนี้ยค่อยเข้าใจผ่านประสบการณ์ตนเองชัดเจนล่วงมาถึงเขตอายุทยาตั้งใจว่าจะทำอย่างที่เคยอยากทำมานานเวลาเห็นหลังคาโบสถ์จากระยะไกลนั่นคือเลือกขับรถเข้าไปตามทาง ที่เห็นว่านำไปสู่โบสถ์ที่ดูว่าอยู่ในเขตวัดของคนบ้านนอกสงบสันโดษมีไม้ใหญ่ร่มรื่นรวมทั้งตั้งอยู่ริมคลองการมาคนเดียวทำให้ฉันไม่ต้องถามความสมัครใจจากคนอื่นเหมือนมาผจญภัยตามลำพังพบสิ่งใหม่ภายในพรมแดนที่ไม่ค่อยมีใครย่างไปถึงสอดส่องตามท้องไร่ท้องนาข้างทางพักหนึ่ง ยังไม่เจอหลังคาโบทที่เข้าตาขณะนั้นท้องเริ่มเรียกร้องอาหารปกติฉันไม่ทานข้าวผิดเวลานักจึงไม่ค่อยคุ้นกับความหิวโหวยพอหิวจัดขึ้นมาคราวนี้จึงเป็นสภาพแปลกที่น่าสนใจภาวะหิวเป็นทุกข์เป็นความทรมานเป็นสภาพที่เบียดเบียนให้สติอ่อนลงเหมือนมันมีกำลังบีบคั้น ให้เราอ่อนแอลงได้ทั้งทางกายและทางใจที่แรกฉันสอดตาหาร้านอาหารแต่พอเกิดผุดสติรู้ว่าทุกทางกายเกิดขึ้นแล้วทุกทางกายปรากฏชัดเจนแล้วทุกทางกายมาแสดงสภาพบีบคั้นให้เห็นต่างจากสุขกายสุขใจที่ผ่านมาแล้วฉันก็ตัดสินใจใหม่ กำหนดสายตาหาวัดตามเป้าหมายเดิมไม่ใช่ด้วยความตั้งใจจะทรมานตัวเองแต่เจตนาจะใช้เป็นเครื่องพิจารณาเปรียบเทียบให้เห็นแจ้งในสภาพอันไม่น่าปรานาเส้อบ้างในที่สุดฉันก็เจอวัดตามสเปคเป็นวัดที่แวดล้อมด้วยหมู่ตานร่มครึ้มท้ายวัดติดกับคลองยาวเมื่อลองขับรถเข้ามาก็ไม่ผิดหวัง เพราะเป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านเงียบสงบสมกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาฉันเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์ซึ่งน่าจะบุรณะใหม่ไม่นานเห็นจากสีขาวสะอาดน่าจะทาได้แค่สองสามปีขณะที่สิ่งก่อสร้างอื่นๆในวัดเก่าคร่ำคร่าแสดงอยู่ทั่วไปว่าอายุของวัดน่าจะหลายสิบปีแล้ว ฉันสงบใจอย่างประหลาดเมื่อกราบพระประธานตามลำพังนึกชอบใจวัดเก่าที่หันไปไม่ค่อยเจอหน้าใครอย่างนี้ยิ่งนักออกจากโบสถ์มานั่งที่ศาลาท่าน้ำญาติโยมสร้างถวายหลายจุดล้วนเป็นศาลาไม้ที่ต่อไว้ง่ายๆแต่นั่งสบายน่าดูฉันทอดตามองไปสุดคุ้งน้ำเบื้องไกล แล้วขอบใจตัวเองที่วันนี้เลือกมาสู่เขตสงบได้พักตาได้พักประสาทได้อยู่กับตนเองตามความปรารถนาจากส่วนลึกท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันชวนทัศนาเหลือหลายความหิวลดระดับลงนั่นคือสิ่งที่ฉันสำเนีกรู้สึกได้โดยไม่ต้องพยายามอ้อเป็นอย่างนี้เองแม้ระดับความหิวก็มีอ่อนมีแก่ มีขึ้นมีลงปกติถ้าหิวนิดหิวหน่อยฉันจะกินทันทีเลยไม่มีโอกาสสังเกตเห็นอนิจจังชนิดนี้ดังที่ปรากฏในคาถาธรรมบทสุขวั์ที่สิบห้าความว่าสุขอื่นเสมอความสงบไม่มีความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเผอิญฉันลิ้มรสความจริงทั้งสองประการนี้ในเวลาไล่เลี่ย ก, กันเสียด้วย ช่วงขับรถบนทางตรงเหยียดยาวเมื่อจิต ด, ดื่มดำกับความสุขสงบอันเกิดแต่สติสัมปชัญญะรู้อิริยาบถนิ่งไม่ไหวติงต่อเนื่องฉันนึกนึกอยู่เหมือนกันว่าสุขกว่านี้คงมีแต่ต้องสงบให้ยิ่งกว่านี้เท่านั้นแต่ครู่ใหญ่ต่อมาก็เจอความหิวซึ่งเป็นโรคอันยิ่งใหญ่ของสัตว์ทั้งหลายเข้าให้ จนกลายเป็นสภาพเปรียบเทียบอันโดดเด่นชัดเจนยิ่งระหว่างรสสุกอันหาอื่นใดเสมอเหมือนได้ยากกับทุกใหญ่หลวงอันเป็นของประจำสัตว์แทบทุกพบทุกภูมิทอดตามองลงต่ำเห็นปลาสองสมตัวกำลังพยายามพลุ่งขึ้นหุบเศษซากอะไรบางอย่างบนผิวน้ำที่พอเป็นอาหารของมันได้ถ้าเป็นเวลาปกติฉันคงมองผ่านยังไม่รู้สึกอะไร แต่ยามเนี้ที่ใจกำลังคำนึงว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งทําให้มองปลาเหล่านั้นด้วยความสงสารถ้าฉันหิวฉันยังเอาเงินไปแลกซื้อข้าวอิ่มอร่อยได้ทุกมือ้อแต่ถ้าปลาหิวแล้วไม่มีใครเอาเอะไรไปให้พวกมันก็ต้องกระเสือกกระสนหาสัตว์เล็กหรือซากขยะที่เลือกแล้วเห็นว่าพอประทังชีวิตได้ ชีวิตสัตว์จะมีอะไรมากไปกว่าสัญชาตญาณหาอาหารกินยังไม่อิ่มก็ต้องหาอีกทั้งชีวิตเหมือนมีอยู่เพื่อหาของใส่ท้องโดยแท้หากพวกมันไม่ถูกจับมาทอดให้คนกินก็เหมือนเป็นชีวิตที่หาค่าไม่ได้เอาเสียเลยฉันส่งตามองนิ่งๆแล้วเกิดประสบการณ์ภายในที่คล้ายอุปาทาน คือรู้สึกสัมผัสทุกภายนอกตัวเองด้วยจิตอย่างแจ่มชัดฉันเห็นทุกขณะปลาทะลึ่งขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยความหิวโหวยเห็นทุกขณะของอาการอ้าปากงับเห็นทุกขณะปลาจมลงน้ำด้วยอาการกระวนกระวายไม่อิ่มไม่พอฉันเลิกคิ้วนิดหนึ่งด้วยความผิดวงใจถามตนเองว่า นี่เป็นสัมผสัสที่คิดขึ้นเองผ่านสายตาหรือว่าเกิดจากการมีจิตสัมผสัสอย่างแท้จริงกันแน่ในทุกหมวดของสติปัฏฐานสี่นั้นพระพุทธเจ้าให้ดูกายเวทนาสภาวะจิตและสภาพธรรมะต่างๆทั้งภายในตัวเราและของคนอื่นภายนอกเห็นด้วยความไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนฉันดูกายตัวเองและเวทนาของตัวเองมาพักหนึ่งแต่ไม่เคยทดลองส่งจิตออกไปสมัมผัสคนอื่นหรือสัตว์อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าไม่อยากหรือกลัวจะไปหลงติดฤติติดเดดอะไรแต่สารภาพตามตรงว่าไม่ทราบว่าเขาทากันท่าไหนมากกว่า